กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับรายการธรรมะรับอรุณนี่ข้าพเจ้าพระไพบูณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหสกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็มาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเรื่องของการฟังธรรมะนั้นในแต่ละวันเราก็จะมีหลากรายข้อมูล ที่ให้ท่านฟังได้เลือกฟังกันโดยในวันพุธอย่างนี้เพื่อจะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ถามถามมานะไม่ว่าจะส่งมาทางปริษณนะีคือที่สถานีพดูกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0่0หรือว่าที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศกก็ได้ นั่นคือที่เลขที่หนึ่งหมู่8ตำบลดอนไหศก อ, อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าท่านไหนสะดวกในการที่จะใช้เว็บไซต์ก็มาทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้คำถามที่ส่งมานี้นะเป็นได้ทุกรูปแบบไมนะ่ว่าจะเป็นเกี่ยวกองกับประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเนื้อหาธรรมะหมดไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจอยู่แล้ว ต, ต้องการความเข้าใจมากขึ้น ในแนวทางที่เป็นพุทธวจนะหรือว่ า, เ, าเรื่องใดใดที่มีความเครือบแคลงมีความเห็นแย้งอยู่ก็สามารถสง่งคําถามมาถามได้ในการถามคําถามนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ได้มีความเข้าใจนั่นพระเจ้าก็เคยบอกไว้าบางคนก็มีความเข้าใจดีจึงถามคําถามเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นก็ได้นันก็มีทั้งนั้นคือถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยคำถามยังไงมันก็มีอยู่แน่นอน แนะต่อให้เป็นสวดบันเป็นสกท า, าคามีปันน า, นาคามีในะคําถามเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังจะมีอยู่นะคือไม่เห็นแย้งล้วในเรื่องมรรคในเรื่องข้อปฏิบัติแต่ว่าแนวทางการดําเนินไปนะมีการสอบถามทวนถามไก่กันละกันว่านี่มีความหมายกี่ในมีความหมายอย่างไรแล้วนะเราก็จะสามารถช่วยกันเปิดเผยธรรมะที่ปิดอยู่ได้อันนี้บริพุทาก็จัดว่าเป็นบริษัทที่เลิศ ในสมัยนี้เราก็ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสื่อสารของท่านผู้ฟังกับของข้าพเจ้านี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยข้าพเจ้านั่งอยู่ที่วัดป่าดอนไหส่จังหวัดอุดรธา น, า น, นีสามารถบันทึกเสียงส่งไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยและกระจายเสียงออกไปยังทั่วประเทศนังคนที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆหรือว่าอยู่ตามต่างประเทศก็รับฟังทางคลื่นสั้นได้ทางอินเทอร์เน็ตได้วันนี้ก็จึงมีคําถามที่มาจากท่านผู้ฟัง ที่มาจากประเทศสิงคโปร์นั่นะคือคุณพรพันธ์ถามมาอยู่2องคำถามนะคำถามแรกคือเรื่องของความทุกขนะ์ถามว่าทุกข์กับอุปทานหมายถึงอะไรนะัคือทุกข์อุปทานหมายถึงอะไรนะทุกข์คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้ยากนะคือคือความเป็นทุกข์อันะที่2คําว่าอุปาทาน อุปทานหมายถึงความยึดถือนะความยึดมั่นถือมั่นนี่เขเรียกว่าอุปาทานนะเป็นภาษาบาลนะีทุกที่เราเข้าใจเข้าใจกันว่าหมายถึงทุกขเวทนาเนี่ยคือความทุกข์เนี่ยคือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เอาเอาความนิยามแค่นี้ก่อนนะแตนะ่ถ้าคุณพรพันธ์ที่ฟังหยุดจากประเทศสิงคโปรนะ์ก็เข้าใจว่าไอ้คำเนี้ยมันเป็นภาษาบาลีดั้งเดิมมานะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้มาตั้งแต่ก่อะ น, นู้นแล้ว แต่จริงๆตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลเขาก็ใช้กันละ่ะทีนี้ไอ้สภาพความเป็นทุกข์เนี่ยแต่ละคนก็จะนิยามไม่เหมือนกันละ่ะอย่างคนไท ย, เ, ยเอามานิยามคือว่าเราไม่ชอบนั่นเป็นทุกข์แต่ทุกข์ของคนหนึ่งเอากับไม่ใช่ทุกข์ของอีกคนหนึ่งนี่คือลักษณะของที่เรามาใช้ในภาษาไทยในอย่างเมืองไทยของเราเนี่ยไม่มีความอากาศหนาวมากเหมือนอย่างประเทศนอร์เวย์หรือทางเหนือประเทศรัสเซียอย่างนี้แล้วก็มีภัยหนาวของเราก็มีภัยหนาวเหมือ น, นกันนิดๆหน่นอยห นะหรือเราเราก็จะมีภัยร้อนก็มีแต่ภนะัยจากน้ําท่วมไอ้บางปีมันมีบางปีไม่ทุกบางปีเป็นทุกไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะนี่คือลักษณะที่ใช้ในภาษาไทยแต่คือที่พระเจ้าให้ความหมายของคําว่าทุกเอาไว้ก่อนนะคือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้นะอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีสภาพเปลี่ยนแปลง ไ, ไปจากที่มันเป็นอยู่อันนั้นเป็นทุกทั้งสิน้นอ่าอีกครั้งหนึ่งนะ ทุกเนี่ยคือสภาพที่มันทนอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกด้วยความหมายอันนี้เนี่ยจะกินความกว้างมากนะี่ยจะเรียกว่าหยิบทุกอย่างมาเป็นทุกหมดเลยเอาโทรศัพท์หยิบมาสิมันเปลี่ยนแปลงไหมเอเมื่อก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันมีอ้าวมันเป็นทุกข์เหมือนกันนะถ้าใดฟังในนิยามของผู้เช่านะหรือว่าทุกขเวทนาเอาความปวดแขนปวดขาเราเนี่ยเป็นโรคภัยแค่เจ็บนอนอยู่ตามโรงพยาบาล อันนี้เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็มีมานะโอ้แซงว่าอันนี้เป็นทุกข์แน่นอนมันให้ทุกขเวทนากับเราด้วยหรือบางทีเรามีความสุขไปกินอาหารอะไรอร่ อ, รอยมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อ น, เ, อนเล่นแหมแฮปปี้แล้วเกินสบายใจมีความสุขแตนะ่ตรงนี้ก็เป็นสภาพที่ทนอยู่ได้ไหมตามตัวเอยงดูแตนะ่ถ้ามันทนอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอ่าันนั่นแหละเป็นทุกข์ละนะมีสภาพที่เป็นทุกข์แนตะ่ทุกขในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแค่ทุกขเวทนาแต่ยังรวมถึงสุ ข, ขเวทนาด้วย ไฟอีกครั้งหนึ่งนะเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะคือความรู้สึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขจะเป็นทุกขนะ์หรือจะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นทุกข์ทั้งสิน้นเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ดูสุขกับเวทนาของเราสินะเราไม่ได้มีความสุขอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะหรือว่าไอความสุขที่เราเจอมาวันนี้แหมวันนี้เขาพูดหวานๆก็เราแหมดีใจเหลือเกินอีกวันหนึ่งกาไม่ได้พูดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีใจเหมือนเมื่อวานอา้าวแสดงว่า สภาวะที่เป็นสุขเวทนาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนั่นแหละเป็นความทุกข์ละมันให้ความทุกข์ตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้เราไม่สามารถที่ใช้มันอยู่กับเราได้ตลอดกาลนั่นแหะคือความทุกข์เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก่แต่ถ้าเราจะใช้คําว่าทุกข์เนี่ยว่าเป็นปัญหาก็ได้คือสุขเวทนามันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้อนี่แหละคือปัญหาของมันอะไรที่มีปัญหานั่นคือความทุกข์ทุกขเวทนา แล้เปลี่ยนแปลงได้ไหมเเปลี่ยนแปลงได้นะมันก็หายไปได้มันก็เกิดขึ้นได้นั่นแนหะคือสภาวะที่เป็นปัญหาของมันละ่ะแม้แต่ ท, ทุกขเวทนาไปเกิดคนอื่นที่เราไม่ชอบเอ๊ะทุกขเวทนานั้นกลับให้ความสุขกับเรานันกลายเป็นสุ ข, ขเวทนากับเราแต่สมมุติคนนี้เราไม่ชอบเขาป่วยเขาเจ็บเขาได้รับความทุกข์ใจบางทีเราต้องทําอะไรสักอย่างนึ่งให้เขาได้รับความทุกข์ใจเราถึงจะสะใจถึงจะมีความสุขเอ้าทุกขเวทนากลับกลายเป็นความสุขก็มีนี่แหละคือมันมีความ ไ ม, ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไป น, นี่คือจึงจะเป็นสภาวะที่เป็นความทุกข์อีกคำหนึ่งที่คุณพรพันธถามมาคือเรื่องของคําว่าอุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ความยึดมั่นถือมั่นยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละอย่างสมมุติว่าถ้าเราซื้อโทรศัพท์มาใหม่ๆอย่างเงี้ยแม้โทรศัพท์นี่เลิศรู้อลังการมากเลยปุ่มแทบจะไม่มีสวยงามมีแสงแวววับด้วย เนี่ยพอโทรศัพท์ของเราตกแตกเท่านั้นละแแม่เราจะจี๊ทันทีเงินก็ไม่ใช่ถกถูกนะเราจะมีความรู้สึกจี๊ในใจแต่ถ้าอะไรที่เราทําให้เรามีความรู้สึกไม่พอใจหรือมีความสึกรุ่มหลงมัวเมาอันนั้นเรามีความยึดถือละ่ะแต่ทําไมไโทรศัพท์ของเพื่อนซื้อมาด้วยกันนี่แหละสีก็เดียวกันนี่แหละแต่แต่เขาซื้ อ, อต่างจากเรานิดนึง่งเขาเป็นเจ้าของอันนี้เราเป็นเจ้าของแต่แต่ของเขาตกแตกนี่เราไม่รู้สึกอะไร นะหรือโทรศัพท์ของคนอื่นนะที่เขาใช้ใช้กันอยู่ตกแตกเราไม่รู้สึกอะไรเนะีนั่นก็เพราะว่าเราไ ม, ไม่ได้มีความยึดถือในโทรศัพท์ของคนอื่นนะ่ความยึดถือนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะมันไปนโดนอะไรมันยึดถือใน้ทั้งสิน้นะ่มันอาจจะไม่ได้ยึดถือในสิ่งที่คน่นเขายึดแต่อาจจะไม่ยึดถือในสิ่งที่เรายึดแคนั้นเองเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขอุปท า, านเนี่ยคือความยึดถือในความทุก เฮ้เหล่าแล้วเราทำไมไปยึดถือความทุกข์ทำไมความในความทุกข์เรามไม่ ป, ปล่อยทิ้งก็นี่ไงคนมันโง่เนี่ยเราจะต้องฉลาดขึ้นในการที่จะไม่เอาความทุกข์เนี่ยมาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอย่าหาทุกข์ใส่หัวเราจะฉลาดที่มาได้เนี่ยคือเพราะว่าด้วยอำนจของอวิชชานะไม่ได้ว่าใครโง่หรือใครฉลาดคือถ้าใครยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ฉลาดที่สุดนะจะฉลาดบ้างปล่ยวางได้บ้างตามวารคตามโอกาสแต่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่เนี่ย เราก็ยังปล่อยวางไม่ได้หมดแต่ปล่อยวางไม่ได้หมดเราอาจจะมีความยึดถือในความทุกข์บางอย่างที่เราอันนี้มันทําให้เราทุกข์ทุกข์ทำไมคุณไม่ปล่อยซะแล่ะหรืไมความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคุณคุณเอามาคิดมานึกให้ช้าใจอยู่ตัวเองทําไมหลาหลายคนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วมันก็เอามีดมาตํามอกทิ่มอกทิ่มอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่คิดถึงที่ไรนมันก็เจ็บปวดทุกทีคิดถึงที่ไหมันก็เจ็บปวดทุกทีนั่นก็ราลว่าคุณยังมีความยึดถือในความทุกขนน์มี ทุกข์ข้ออุปทานเนี่ยก็คือทําให้เราเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปร่ําไปเพราะเราต้องต้องเอาออกแต่เราจะเอาอุปทานออกจะเอาความทุกข์ออกได้อย่างไรแลอุปทานเนี่ยต้องเอาออกแน่นอนแต่ความทุกข์เนี่ยนะจริงๆแล้วเราไม่ได้เอาออกนะทุกฝั่งเราต้องทําความเข้าใจกับความทุกข์นี้ต่างหากทำความเข้าใจกับความทุกข์นี้เป็นยังไงคือเข้าใจว่าความทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นแหะสุขก็มีทุกข์ก็มีเราก็มีความสภาพความเปลี่ยนแปลงมีเหตุเกิดขึ้น มีความดับของมันวิธีการนําออกนะแล้วก็มีโทษมีประโยชน์เราต้องเข้าใจ5แง่มุมนี้นะถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นความทุกข์ที่เราทนได้ยากก็ตามหรือเป็นความทุกข์ที่เราทนได้ง่าย Erik ก็ตามนะั่นคือหมายความว่าความทุกข์ที่ทนได้ยากก็เช่นพวกทุกขเวทนาใช่ไหมความทุกข์ที่ทนได้ง่ายๆหน่อยก็พวกสุขเวทนาเน่ยมันทนได้ง่ายหน่อยแต่เวลามันเปลี่ยนแปลงเราก็รู้สึกกระเทือนนิดหนึ่งแต่มันยังทนได้ ง, ง่ายกว่าความทุกขเวทนาะความทุกขทั้งสองประเภทนั่นแหละ จะเป็นทุกที่ทนได้ยากก็ตามทุกที่ทนได้ง่ายก็ตามเราต้องเข้าใจเขาด้วยความที่เหตุเกิดของเขาคืออะไรเราต้องเข้าใจเขาด้วยความที่วิธีการดับของเขาคืออะไรทาไมมันถึงดับไปได้เราต้องเข้าใจความที่อะไรเป็นประโยชน์ของเขาเราต้องเข้าใจความที่อะไรเป็นโทษอันต่ำทามของเขาเราต้องเข้าใจวิธีอุบายในการที่จะนาออกจากนาโทษ น, นี้ออกไปให้ได้ถ้าเราเข้าใจ5้าอย่างนี้แล้วเนี่ย เรียชืว่าคุณเข้าใจเรื่องถูกละรอบรู้เรื่องถูกละยอมรับเข้าใจความถูกละเมื่อเราเข้าใจปัญหานะเราเข้าใจปัญหาแล้วนะคุณแก้ได้เดีวคุณจะสามารถวางความยึดถือในความทุกข์นั้นได้แตนะเราต้องเข้าใจปัญหาก่อนปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตหน้าที่การงานของเราบางทีทํางานอยู่ในที่ทํางานมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นคุณไม่เข้าใจปัญหาคุณก็จมอยู่ในปัญหานะทางแก้ไม e ่ถูกซ้ายขวาหน้าหลังอีหลงตุงนังหมึนตึงไปหมด ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจปัญหาก่อนเราจะเข้าใจปัญหาคือเจ้าความทุกข์เนี่ยได้อย่างไรก็คือห้าแ ง, ง่มุมนี้ถ้าเราเข้าใจในห้างแง่มุมนี้เราสบายละเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เดีเวลาที่มีอเจ้าความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะพยายามที่จะเข้าใจเขาไม่จมปลักอยู่ในความทุกข์แต่บางคนจมปลักอยู่ในความทุกข์เนี่ยเป็นยังไงก็จะร่ําให้ร่ําครวญทุบ อ, อกโชคตัวถึงความไปพุ่งเงินของกลางเพ้อหรือไม่ก็ แสดงความโกรธความขัดเคืองความกระด้างกระเดืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะพ่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคุณมึนละไม่รู้ละจะไม่เห็นแล้วว่าจะเข้าใจปัญหาว่าอะไรจีจัดวิวาเปรียงปร่างขึ้นมาละแต่เพรา ะ, ะนั้นคนที่จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่จีจัดไม่โกรธเคืองเนี่ยก็ต้องมีสติและสตินี่จะเป็นตัวที่กํากับไม่ให้เราไหลไปตามความทุกข์ทั้งที่ทนได้อย่างและทนได้ง่ายเหล่านั้น แต่ใช่เรามารู้ตามที่เป็นจริงซึ่งในยะ5้าอย่างนี้เราก็จะสบายเราจะต้องแยกทุกกับอุปาทานออกจากกันนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราต้องใช้มีดคมๆเนี่ยปาดมันออกแต่ถ้าเราไปตามเขียงหมูนะท่านฟังแหมเดี๋ยววันี้ไม่รู้มีหรือเปล่าตามเขียงหมูก็ตามตลาดสดเนี่ยนะไม่ใช่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาจะมีแม่ค้าขายหมูเขียงหมูเนี่ยเอามีดคมๆเนี่ยเฉาะเฉาะเะเะเนี่ยมีดเขานี่ก็จะรับอยู่ตลอดเวลาแม่ค้าขายเขียงหมูหรือพ่อค้าก็ตาม มีความชํานาญในการใช้มีดมากเอ่อข้าพเจ้าก็ไม่ได้ไปตลาดตั้งนานแล้วนะไปสมัยตึกเด็กนูน่นแต่ยังจําภาพได้อยู่แลนะว่าเขามีดปาดลงไปเนี่ยเขามีความชํานาญมีความคมของมีดมากปาดเนื้อหนังแล้วก็มันเนี่ยออกด้วยโดยการฟ า, ฟาดครั้งเดียวด้วยการหั่นครั้งเดียวด้วยการเลื่อนมือไปครั้งเดียวแล้วมีความคมขนาดนั้นมีดแล้วมีความชํานาญในการใช้มีดขนาดนั้นแลนะเราจะต้องปาดเจ้าทุกกอุปทานเนี่ยออกจากกัน ด้วยลักษณะนี้มีด ต, ต้องคมมีดคืออะไรมีดคือปัญญาปัญญาแบบไหนก็เข้าใจความทุกข์ในลักษณะ5อย่างนี้แล้วเอายังไงมันเนี่ยไอของมันมันเราติ้งไปเอาแต่เนื้อใ้ฉยนะไอพวกอุปาทานปัญหาเราปาดติ้งไปเหลือแต่อะไรทุกขนะ์ไอความทุกข์คือปัญหานี่เราทําความเข้าใจเพรเราทําความเข้าใจแล้วเราจะแก้ไดนะ้เราจะอยู่กับปัญหานั้นได้อย่างสบายใจนะปัญหานั้นก็จะไม่เป็นปัญหอีกต่อไปเราก็สบายละ คุณพันพันก็มีคําถามที่สองส่งมาเหมือนกันถามว่าถ้าเราแผ่อธิษฐานถึงคนที่ทําให้เราทุกข์ใจอย่างตั้งใจจริงแล้วเขาจะได้รับหรือไม่แล้วเขาจะเลิกทําให้เราเกิดความทุกข์ได้หรือไม่คาถามนี้เป็นขนาดที่น่าสนใจมากได้ยินฟังคือถ้าเราอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้านในการที่จะทำจริงใจชิ้นหนึ่งอธิษฐานนี่ไม่ใช่ว่าหมายถึงขอประปาปีป้นะถ้่ขอนี่คือแบบ คุณไปปัตรนาไปตั้งการข อ, อไว้การขอนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนอยู่แล้วนะขอนี่คือขอผลนะแต่อธิษฐานนี่คือการอธิษฐานสร้างเหตุเหมือนคุณพรพรรณพูดถึงการอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จ ะ, ะส่งความจริงใจความรักความปรารถนาดีให้กับคนที่เขาทําให้เราทุกข์ใจนะถามว่าเขาจะได้รับหรือไม่แล้วถ้าเขาได้รับแล้วหรือไม่ก็ตามเนี่ยเขาจะเลิกทําให้เราทุกข์หรือไม่ ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเราตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้านในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแผลในกรณีนี้คือการแผ่เมตตาให้เขานะแผลกระแสแห่งความรักความเมตตาให้เขาเขาจะได้รับหรือไมอ่เรื่องนี้ก็อยู่ที่สภาวะที่เขาเป็นอยู่นั้นนะว่าเขาจะได้รับหรือไม่คือหมายว่าส่วนที่ได้รับก็มีส่วนที่จะไม่ได้รับก็มีและส่วนที่ได้รับก็มีคืออะไรสมมุติเอาเอา อ, а, อาหารอย่างเงี้ยเอาไปให้แม่ให้พ่อให้คุณนั้นคนนี้ เขาอยู่ได้รับได้เพราะว่าเขาอยู่ในภพภูมิเดียวกันแต่ถ้าเอาอาหารให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับนะเพราะเขาอยู่คนละภพแล้วอาหารเขาก็มีของเขาเราสมมติเราเอาเครื่องบวงสวงเอาหัวหมูหัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือปลาอะไรต่างเนี่ยมาบวงสวงเทวดาอย่างเงี้ยคุณถามว่าเทวดาเขาจะกินไหมเทวดาเขามีอาหารของเทวดานะเทวดาเขาไม่กินหราท่านฟังหรือว่าอ ม, มีสุนัขตัวหนึ่งเขาก็คาบกระดูไก่มีเนื้อตดิดนิดนึงมาให้เราอย่างเงี้ย ถามวาท่านผังจะกินไหมถ้ามีสุนัขทำอย่างไรกับท่านผูฟังไม่กินหรอกแต่ว่าเราเราก็แค่ว่ารับเอาไว้อะนะแต่ไม่กินหรอกเพราะว่าเราก็มีอาหารของเราเราอจะมีความยินดีว่าเออสุนัขตัวนี้น ant, มันรู้คุณคนมันมีความประตันอยู่เจเจ้าของแค่นั้นเองแต่เราก็จะไม่ได้รับสิ่งนั้นคือได้รับอยู่แต่ว่าไม่ได้รับประทานแตเหมือนกันไอ้เจ้าสิ่งของต่างๆเนี่ยบางทีเราส่งไปให้เนี่ยเขาอาจจะได้รับก็ได้ไม่ได้รับก็ได้แตสัตว์นรกนี่มีอาหารของสัตว์นรกแต่สัตว เ, เรื่องของบุญก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสม ม, สมสติเราสร้างบุญกุศลสักอย่างใดอย่างหนึง่งเราอุทิศบุญกุศลให้ใครสักคนในคนหนึ่งเขาจะได้รับก็ถ้าเขาอนุโมทนานะคือบุญกุศลมันก็เป็นลักษณะคือมันไม่ใช่แบ่งเค้กะนะเหมือนกับว่าเราเค้กของเราลดลงแล้วก็ให้เขาเค้กของเขาก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นลักษณะของการต่อเทียนนะต่อเทียนไปยังถ้าเขามีการอนุโมทนากับบุญกุศลที่เราทําในดะ้จิตที่เป็นกุศลของเขาบุญใหม่เกิดขึ้นในจิตของเขา นะบุญของเราไม่ได้ลดลงนะเป็นลักษณะของการต่อเทียนใ้การให้ความรักความเมตตาก็เหมือนกันนะคนให้เนี่ยยิ่งไดนะ้คนรับก็รับได้เหมือนกันคือถ้าจิตของเขาเป็นจิตที่สามารถรับได้นะคือเป็นจิตที่มีกุศลธรรมหลายๆครั้งเหมือนกันผู้เช่าก็เคยทำํำนะแผ่เมตตานะแผ่เมตตากับแผ่บุญกุศลนี่คนละประเด็นกันเหมือนกันน ะ, อ, ะอย่างแผ่บุญกุศลเนี่ยเขาต้องอนุโมทนาเขาถึงจะได้รับนะแต่แผ่เมตตาแผ่กระแสงความรักความเมตตาไปอย่างนี้ อย่างพระพุทธเจ้าเคยทำนะักพิสูจนสองรูปนะักคุยกันเสียงดังวกเวกเฮฮาไม่รู้จักสํารวมพระพุทธเจ้เาก็ไล่ออกไปนะพอในวาระหลังพระพุทธเจ้าคิดว่าอสองคนนี้บวชอุทิศแก่เรานะจะไล่เข้าไปก็ไม่ดีงั้นก็เลยแผ่เมตตาให้เข้ามาฟังธรรมทีละคนแผ่เมตตาให้เข้ามาฟังธรรมทีละคนก็เคยทําก็ทําได้ก็นะแสดงว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถรับได้นะในเรื่องของการแผ่เมตตาทีนี้ เขารับได้แล้วเขาจะเลิกทําให้เราทุกข์หรือไม่ใ น, นนี้เป็นอันนี้ส่งอันดับที่ต้นๆเลยมีสิบเออย่างของบุคคลที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำํำบุคคลที่เจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำํำมีอั น, นิี้ส่งอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็จะเป็นที่รักของอามนุษย์ด้วยในยรวมถึงมีพวกไฟสัตร์รายพิษก็จะแคล้วคลาดไปทําอันตรายเราไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะทําให้เราทุกข์เนี่ย มันจะกลายเป็นไม่ทุกไปหมายความว่าไงคือไม่ใช่ว่าความทุกข์มันหายไปนะมาฟังอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่มันเคยทําให้เราทุกข์เนี่ยเราจะไม่เป็นทุกข์กับมันอีกต่อไปในอย่างบางคนเนี่ยทุกง่ายง่ายไปแค่ไปโรงอาหารหรือไปพัตคาลอย่างเงี้ยสั่งอาหารมาอย่างหนึ่งเนะ่ปรากฏเขาไม่มีหรือเขาทําให้ไม่เหมือนอย่างที่หวังเอาไว้โกรธในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่โกรธลนะ้วก็เฉยเฉยทำไมคนสองคนนะไปสถานที่เดียวกัน สั่งอาหารแบบเดียวกันก็ไม่ได้ทั้งคู่ด้วยนะคนหนึ่งโกรธอีกคนหนึ่งไม่เห็นว่าอันนี้จะเป็นปัญหาอะไรก็ไปสั่งใหม่นะคือจริงๆคาว่าทุกเนี่ยทุกเนี่ยนะทุกชนิดที่ทนอยู่ได้ยากนะอันนี้พูดถึงทนทุกที่ทนได้ยากคือพวกความทุกขเวทนาทุกที่ทนได้ง่ายนีย่คิดว่าคงใครๆก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เอาทุกที่ทนได้ยากก็คือพวกทุกขเวทนานี่ทำไมบางคนดูแล้วมันไม่เป็นสภาพที่เป็นทุก คือหมายความว่าสภาพนี้มันเป็นทุกข์แต่ทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นกับเขานะอีกสภาพหนึ่งก็เป็นสภาพที่เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นกับเขาในชะีวิตการสั่งอาหารไม่ได้เนะี่ยไม่ได้ตามที่เราอยากจะกินเนี่ยนะเป็นเป็นทุกข์นะเป็น เ, เขเรียกว่าสภาพที่เป็นทุกข์แต่คนคนหนึ่งไม่เกิดทุกขเวทนาอีกคนคนหนึ่งกับเกิดทุกขเวทนาขึ้นนะตามสภาพนั้นที่มันตนอยู่ไม่ได้ อันนี้แหละเป็นสภาวะจิตใจที่มีความเข้มแข็งของแต่ละคนไม่เท่ากันแตนะบางคนเนี่ยมีก็เรียกว่าภูมิคุ้มกันต่อสภาวะต่างๆมากคือจิตมีกําลังมากนั่นเถอะแต่ถ้าเราจเจริญเมตตาภาวนาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะยิ่งคนที่ชอบทําให้เรามีปัญหาในชีวิตเราเกิดขึ้นแผ่เมตตาให้เขาเลยนะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์แต่ถ้าเราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์สิ่งต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันจะทําให้ เราเกิดทุกขเวทนาเนี่ยน้อยลงแต่ก็เขาอาจจะไม่ได้ทํามากขึ้นหรือทําน้อยลงหรออันนี้มันอยู่ที่บุญกุศลอยู่ที่กรรมของเขานะว่าเขาจะเลิกทํากรรมไม่ดีได้หรือไม่แต่ว่าทุกที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยทุกเวทนาเนี่ยมันจะน้อยลงเนี่ยเพราะว่าเราเห็นตามสภาพที่เป็นจริงมากขึ้นอันนี้คือ2คําถามของคุณพรพรรณที่มาจากสิงคโปร์คาถามถามัดไปมีจนเป็นจดหมายที่มาจากทางคุณแม่ขาว จากจังหวัดลำปางนะคุณแม่เขาจากจังหวัดลำปางนี้เพิ่งได้รับสดๆร้อนๆเลยนะเขียนมาเล่าให้ฟังนะถึงได้การฟังธรรมะรับป ร, รุนะในช่วงที่มีการถามตอบกับคุณเตือนใจนะก็ได้มีปัญญาเกิดขึ้นหลายอย่างเราก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ว่าได้รอฟังเรื่องนี้อยู่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเขาพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้จะพูดถึงก็เป็นหัวใจของคําสอนของพระเจ้าเลยจริงๆ ที่บอกว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเนี่ยเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักคําสองพระเจ้าจริงๆนั่นหละคําสองพระเจ้าจริงๆเป็นเหตุเป็นผลนะไม่ใช่เป็นเรื่องขอไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตาบอดหรือเป็นเรื่องที่คิดนึกเอาเองแต่มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตรงนั้นเพราะเรื่องปฏิสจจสมุปบาทเนี่ยกับเรื่องของอายตนะเนี่ยสเรื่องนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าใครมาทําการพินิจวิเคราะห์พิจารณาให้มากแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ จะทำให้สัตธรรมนี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาทีเดียวเราก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่ามีความปีติจากการฟังในการตอบคําถามของกุนนิปุณะนะนิปุณะที่สะกดถูกก็คือนอนูสละอิปอปาสละอู น, อนเนนสละอนะูเป็นชื่อที่พระเจ้าใช้แทนคําว่านิพพานก็ไดนะ้คือเป็นสภาวะที่หมดราคะโทสะโมหนะแต่ก็มีท่านวั ง, งปรากฏถึงคําถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ใช้นามว่านิปุณะนะจึง พอได้ฟังคําถามการตอบตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดมีความปีติอย่างมากและมีความสบายใจเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งของการถามคําถามคือบางทีคําถามของเราที่เราสงสัยเนี่ยอาจจะเรียบเรียงได้มากน้อยก็แล้วแต่คนนะนะแต่ว่าคําถามของเราเนี่ยบางทีมันไปตรงกันกันกบคําถามของคนอื่นเพรามันไปตรงกับคําถามของคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยนะคือหมายความว่าเราสามารถที่จะคลี่คลายประเด็นธรรมะทําให้คนอื่นมีความเข้าใจได้ ในการนี้คุณไม่ข่าวจากลําปางก็ได้ฝากปัจจัยมาร่วมทําบุญกระินด้วยจํานวน200บาทก็ขออนุโมทนาด้วยอีกความเห็นหนึ่งมาถึงความเห็นที่3ในวันนี้ความเห็นที่3ก็มาจากคุณเกษรวิเศษส่วนภูมิที่ได้รับฟังคําต่อไปเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วนนะู้นเมื่อได้รับฟังคำตอบแล้วก็เลยเขียนเข้ามาีทางเว็บไซต์นะว่าได้รับฟังแล้วแล้วก็ได้รับความกระจ่างแล้วก็ยังจะเชิญชวนเพื่อนทั้งหลายได้มาฟังรายการธรรมะรับบุญด้วย แล้วก็ถ้ามีความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนโศกแล้วก็สาธุชนโมทนาด้วยคุณเกศสอวิเศษสุนภูมิก็อยู่ทางจงังหวัดปัตตานีนู่นเลยแต่อยู่ที่ไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานบ้างไหนก็แล้วแต่เนหรือแม้แต่ต่างประเทศก็สามารถรับฟังรายการธรรมารับรุ่นนี้ได้ะไม่ว่าจะเป็นรายการฟังย้อนหลังทางพิเอธรรมะ .com ที่จะมีหน้า ใหไปฟังย้อนหลังได้หรือว่าฟังทางออนไลน์ก็ได้แต่ที่สานีวิดิโกระจายเสียงในประเทศไทยเนี่ยลองไปเสิร์ชหาดูก็จะพบการฟังออนไลน์ได้หรือถ้าท่านผู้ฟังสะดวกฟังทางวิทยุในแบบทั่วไปก็ยังสามารถทําได้อยู่ในประเทศไทยของเรานี้ยังเป็นประเทศที่มีคําสอนของพระเจ้าหลงเหลืออยู่ในหลายๆประเทศก็มีคําสอนของพระเจ้าในที่นี้ในที่เขามีมีการบันทึกกันไว้ก็อยู่ในพระไตรปิฎก อยู่ในข้อมูลที่เป็นเบื้องลึกที่มาตั้งแต่สมัยก่อนยังมีพระเจ้าอยู่ที่ยังมีดีในประเทศไทยก็คือว่ายังมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายเราสังเกตได้ว่าลหลายๆวัดในลหลายๆจุดประเทศไทยเนี่ยไปไหนก็ยังมีคนให้ทานมีการบิณฑบาตใช่ไหมยังมีคนรักษาศีลมีคนไปวัดปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่เรามีกันแต่ว่าการนําไปใช้งานเนี่ยข้าพเจ้าดูแล้วรู้สึกว่าเสียงน้อย นํามาใช้งานคือว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ที่วัดหรืออยู่กับพระหรือว่าอยู่ในตําราตำพีเนะี่ยต้องแยกกันระหว่างเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมก็ส่วนหนึ่งเวลาถ้าเราอยู่ที่ทํางานเนี่ยก็เป็นคนเรื่องคนลชีวิตกันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งนะพระเจ้าใช้คํำว่ามัคคสม์ังคิแต่ถ้าคนในประเทศไทยเราเอาแค่ศี่ห้ามาปฏิบัติกันให้มากนะในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่เฉพาะเวลาไปวัดคุณต้อปานาติปาตาเวลามณี โอ้ยแล้วก็จบออกจากวัดก็คือจบไม่ใช่แค่นั้นเรามาทําอยู่ให้เป็นประจําวันให้เป็นมีเป็นวิถีชีวิตนะ่างนั้นนะถ้าเป็นวิถีชีวิตแล้วเนี่ยเรามีธรรมะเป็นวิถีเป็นทางดําเนินหลวงพ่อชอบพูดไว้ชัดเจนว่ามารคเนี่ยคือทางนะทาง8ปดสายไม่ใช่แสายนะทางสายเดียวมีองค์8ประการเป็นทางดําเนินเป็นทางดําเนินชีวิตของเราถ้าชีวิตเราดำเนินอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านอยู่วัด อยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนชีวิตของเราตรงนั้นมีความสุขได้แต่ถ้าเราเอามาใช้กันอย่างกว้างขวางประเทศของเราก็จะมีความสุขนนในรายการธรรมราพุนวันนี้เราได้พูดถึง3คําถามสามความเห็นที่ส่งมามีอันแรกของคุณพรพันธ์ที่มาจากประเทศสิงค โ, โปร์อันที่2ก็มาจากคุณแม่ขาวจังหวัดลําปางอันที่3 ม, มาจากปัตตานีคุณเกษรวิเศษสุรณภูมิในคําถามต่างๆที่ท่านฟังส่งมา น, นี้บางอันที่น่าสนใจก็จะไป คุยกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็ถือว่าที่สามารถแตกประเด็นต่อไปได้นะเป็นเรื่องยาวๆก็จะไปคุยกันที่นูน่นในส่วนคําถามอื่นๆเราก็ใช้ช่องทางในวันพุธนี่แหละมาพูดคุยกันคําถามที่ส่งมาแต่ละอันนี้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพรหัสบรษณี่ศูย์ศูนย์จะเขียนเป็นปรษัียบัตรหรือเป็นจดหมายก็ได้ หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ไดน้นเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอห น, นองหานจังหวัดอุดรธา น, นีรารสัสไปรษณีย์ก็4 1่ห0หรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ณที่เพียวธรรมะ com p u r e d h a m m a ส่งมาแล้วก็จะนามาคุยตอบกันในรายการนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบุญและิปุโนโจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สิ่นป